ต่อที่ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมมนิยัคถาให้แก่ศรัทธาญาติโยมที่มานั่งฟังในวันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังถ้าว่าตั้งใจฟังแล้วจะได้รับความรู้ในการฟังเพราะการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาในหลักของพระ พ, พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ส, สุสังนัสติปัญญา ผู้วังด้วยดีย่อมได้ปัญญาต้องรู้จักแยกแยะในการฟองเพราะนั้นการที่หลวงพ่อจะได้มาในวันนี้คุณชันยุทธที่ไปทางวัดหลวงพ่อตามจริงหลวงพ่อก็นานๆ น, นทีจะได้ลงมากรุงเทพถ้าว่าท่านผู้ใดเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อแล้วจะรู้ได้ว่าหลวงพ่อจะไม่ค่อยเข้ามาในเมืองในกลุงง่ายๆถ้ามาจ็ต้องมีธุระหลายๆอย่าง ยังจะเข้ามาทํำธทุระเสร็จแล้วก็จะลกลับนี่ขอหลวงพ่อก็จะกลับวันพุ่งนี้แหละมานอนคืนเมื่อคืนในคืนที่สองหลวงพ่อก็จะกลับแล้ววันพุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ไปฉันที่กรมการช่างทหารอกาศพอฉันเสร็จแล้วหลงพ่อก็คงจะขึ้นเครื่องกับผู้ดอนที่คุณชันยุทเปน็นนิมนต์ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อก็เออผัดเปลี่ยนไปผัดเปลี่ยนมา แต่คราวนี้หลวงพอ่อเนื้อน่าจะาได้มาพบกับลูกหลานญาติโยมพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจในภาคปฏิบัติจิตโคนาเป็นพุทธบริษัท4ีของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเห็นหน้าเห็นตากันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในการเทศหรือการพูดหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ขั้นประมาจยา์ที่จะมาแนะนำสังสอนให้ญาติโยมเข้าเข้าใจอยากนึกถึงเจียงต่ว่าพี่ได้สองน้องได้หนึ่ง ในมาพูดให้แก่ศรัทธาญาติโยมฟังในเมื่อจบทำมเทศนาด้วยการพูดสัมโวนิเจาะคถาของหลวงพ่อแล้วนะหลวงพ่อคงจะมี MP3 ที่หลวงพ่อได้อบรมภาพต่างกลมต่างวาระแจกแจกศรัทธาญาติโยมอีกแต่ว่า MP3 ของหลวงพ่อนี่ก็ได้อัดหรือว่าในกอบปีได้อัดเอาไว้ทั้งหมดมีอยู่12แผ่นขนาดนี้แต่ออกมาศรัทธาญาติโยมคงจะสลับแผงกัน บางทีคนหนึ่งอาจจะได้แผ่นหนึน 2, ่งแต่คนละแผ่นละแผ่นกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านฟังนะฟังยมยีสาของลอหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรอย่างไรการแนะแนวของหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนําอย่างไรในเมื่อคณะศิษยานุศิษย์เข้าไปหาหลวงพ่อหรือพระเดชเข้าไปอยู่กับหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกแนะนําสั่งสอนอย่างไรพวกเราอ่านพวกเราได้ศึกษาแล้วคงจะพอเข้าใจ แต่ว่าการฟังธรรมเทศนาหรือฟัง m อ3ของหลวงพ่อหลวงพ่อก่อนที่จะฟัง m อ3หลวงพ่อจะพูดก่อนฟังธรรมนะก่อนฟังเอ3แผ่นนี้โดยมากหลวงพ่อจะให้คาแนะนําสรุปแล้วคือคุณหลวงพ่อว่าให้พวกเราตั้งใจฟังขณะที่ฟังธรรมเทศนาหรือฟังคําพูดของหลวงพ่ออยากคุยกันถ้าคุยกันแล้ววรืว่าเอาเสียงบรบกวนมาในที่ไม่สงบหรือนั่งในรถก็าตามถ้าคุยกันแล้วก็ฟัง เที่สาของหลวงพ่อไปด้วยอย่าฟังนะมันรบ ก, กว น, นปิดไปก่อนแต่ว่าวทุกคนอยู่ในความสงบนิ่งแล้วก็เปิดฟังเป็นการการการการไปมันมีหลายการทั้งหมดมี20่สกว่าการแต่และแผ่นถ้าฟังอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อว่าหลวงพอรับอหลวงพ่อรัอบประกันโน่นนั่นเลย อ, อย่าว่าอย่างนั้นเลยนั่นเนี่ยคงจะมีประโยชน์สําหรับผู้ฟังไม่มากก็น้อยเมื่อเขาฟังน้อยคงมันอยากจะว่าอีกอะไร คงได้รับประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ได้ยินได้ฟังพ่อหลวงพ่อตั้งอกตั้งใจในการพูดแนะแนวสําหรับฟังในหลักของพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มสีนสมาธิปัญญาอยู่ในเจมปีสาในทุกแผ่นมักมีบ้างมีมากมีมีมา ก, มมมากบ้างน้อยบ้างแต่บางครั้งก็มีนิทานสาโทเข้ามาเปรียบเทียบให้ผู้ได้ยินได้ศึกษาได้เข้าใจด้วยเพราะว่าแต่จะพูดแต่ พูดจบจบไปอย่างเดียวไม่มีนิทานสาธกกระทาให้ผูด้ได้ยินได้ฟังจำได้ยากแต่ถ้ามีนิทานสาธกขึ้นมาจะเปรียบเทียบกันมาพวกเราจะจําได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีนิทานสาธกเป็นบางกลางบางคราวในเอพีที่สามของลูกพ่อนั้นอันนี้ก็ลูกพ่อคงจะแจกเมื่อพูดจบลงไปแล้วนตอนนี้ไป นับว่าวันนี้เป็นวันโมคลมหาหมองคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้หลวงพอ่อก็เลยเสียสละเว ล, เวลามานะพบศรัทธาญาติโยมเพราะเหตุ น, นั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะตั้งใจฟังนะนะการตั้งใจฟังหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์อย่างมากในการได้ยินไดฟังได้ศึกษานะวันนี้ก็เป็นวันที่20่ันวา50สู จวรจะถึงปีใหม่อีกสิอวันข้างหน้าก็เป็นเป็นวันปีใหม่เพราะนั้นก่อนอื่นลุงพ่ออยากจะกล่าวย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายก่อนปีเก่าที่ผ่านไปเนี่ยพวกเราได้ทำอะไรไปบ้างเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างดีและไม่ดีที่ผ่านมา ตาไม่จริงสิ่งดีเราก็ควรจะยึดเป็นแนวทางเราจะต้องพยายามให้ดีทําให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่มันไม่ดีในสิ่งนั้นเราก็ควรจะลดละบางทีเราไปกินเหล้าเมายาในลักษณะอย่างนั้นสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อเราอายุถึงขนาดนี้แล้วสิ่งเรานั้นควรจะลดละได้ควรจะตัดขาดได้แต่สิ่งที่มันดีเราก็ควรจะส่งเสริมเข้ามาเข้าสู่ในความคิด การกระทำของเราการพูดของเราให้มันดีขึ้นความชั่วของพุทธศาสนาพุทธิจารว่าความชั่วหนึ่งก็ดี2ก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นถ้าที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้งควรละเสียความดีก็เช่นเดียวกันความดีหนึ่งก็ดี2ก็ดีมีอยู่แล้วความดีอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะจะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรเจริญให้มากเออก็เจริญให้มากคือให้มากริงๆขึ้นไปเพราะนั้นความชั่วเมื่อเราทำเข้าไปแล้วเราจะตกไปในทางตับคือความหายไนั้นก็จะมาครอบครองทางกายทางวาจาทางใจของเราส่วนความดีนั้นเมื่อเราทำดีแล้วความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเช่นเดียวกันมีแต่ความจเจริญ ง, งอกเงยงอกงามขึ้นตามลําดับเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าใจของเราในมีสองมีชั่วกับดีอยู่ในในใจของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะปลูกฝังคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราให้มากคุณงามความดีนั่นคืออะไรคือสิงสิงคือความพร้อมเพียงสมรคีกันสิงที่จัดไปแล้วก็คือการเป็นอยู่กดระเบียด การเป็นอยู่ร่วมกันมีความพร้อมเสียงสามัคคีกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทำงานในแบงค์ชาติแบงค์ออชาติเป็นหัวใจของชาติหัวใจของชาติถ้าว่าพวกเราทำไม่ดีหัวใจไม่ดีเป็นยังไงถ้าหัวใจล้มเหลวเป็นยังไงถ้าเราหัวใจไม่ทำงานผิดปกติเป็นยังไง อันนี้ก็เหมือนกันถ้าความแดงชาติของเราทางานอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะว่าทุกคนเกิดมาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไปคือเงินเงินเงินนเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเองก็เงินเงินเหมือนกันเพราะว่าจำเป็นจะต้องได้ใช้จ่ายถ้ารเศรษฐกิจดีการเงินดีเงินมีคุณค่าเงินมีคุณภาพ ประเทศชาติบ้านเมืองก็สวบร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยไปในสถานที่ใดก็เป็นที่ยก ย, ก ย, กยก่องช่วยชูขอคนทั้งหลายเพราะคนมีเงินเงินมีคุณภาพเพราะนั้นก่อนที่จะมีคุณภาพพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเคียงบาคเคียงไหลกันการทําการทํางานอย่าให้ขาดตัวบกพร่องท่านหน้าที่ของเราเป็นยังไงก็ขอให้พวกเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อ เ, เขาหน้าหัวหน้าสั่งให้ทําหน้าที่อะไร มอบหมายให้ทําหน้าที่อะไรอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าว่าเราทําขาดตกบกพร่องแนละ้วไม่ใช่ขาดตกบกพร่องแต่ตัวของเรากลรมคณะของเราขาดตกบกพร่องต่อไปประเทศชาติบ้านเมืองก็ขาดตกบกพร่องไปด้วยเพราะเราทําขาดตกบกพร่องแต่ถ้าว่าเราทําดีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงวงสาคัญายาตเรื่องแบบสำนักงานของเราก็พอยดีไปด้วยตัวของเราก็ดีไปด้วยประเทศชาติก็ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเรายทํางานอยู่ใน ฐานะไหนก็ขอให้ทําดีในฐานะนั้นอย่าให้ขาดตกบกพ่อพ่อหลวงพ่อไปน่าจะฐานที่ใดก็ตามหลวงพ่อจะบอกว่าทุกคนถ้าเป็นไปได้ให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างหลวงพ่อเองเป็นพระเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นพระผู้ใหญ่มีหน้าที่อะไรหลวงพ่อเองก็พยายามทําให้ดีที่สุดตามขั้นตอนเมื่อเป็นพระน้อยเราควรทําตัวอย่างไร แล้ เ, เมื่อเป็นพระลูกวัดเราควรทําตัวอย่างไรเมื่อเป็นหัวหน้าเราควรทําตัวอย่างไรเนี่อันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาทํางานใหม่อยู่ในสถานะไหนเราก็พยายามทําดีในสถานะนั้นเมื่อเราไต่เต้าขึ้นมาอยู่ในขั้นหัวหน้าเราก็ต้องรับผิดชอบดูแลเพื่อนฝูงของเราให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าให้ขาดตัวพกพ่องไม่ใช่ว่าเมื่อสมัยเราเป็นพนักงานน้อยห เราก็ตำหนิผู้ปกครองเปเองเป็นอย่างนี้ดูถูกเขาว่าเขาไม่เป็นธรรมให้แก่ตัวเองแต่พอตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา้ยิ่งร้ายกว่าสมัยเราเป็นลูกน้องเขาอีกอันนั้นเรยใช้ได้นะเอออันนี้ผมพ่อขอเตือนนะวันหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเหมือนกันในเมื่อเราเป็นภาคผู้น้อยเห็นครูบาอาจารย์ทำสิ่งใดเราก็ตำหนิผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ทําอย่างนี้นไม่น่าจะทําเมื่อน่าจะควรอยนันแต่พอตัวเองขึ้นมาเรายิ่งกว่า ครูบายการที่ท่านที่เราตำแหน่งท่านอันนั้นไม่ถูกอันนี้ก็เหมือนกันขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทำหน้าที่การงานที่ผมพ่อว่าถึงยังไงก็ตามพนักงานของแบงค์ชาติทรกคนทำงานแบงค์ชาติเปผู้มีเกียรติอย่างยิ่งในสายตาของคนในประเทศเพราะนั้นพวกเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่การงานการเงินของเราก็ตามการเงินของพวกเราคิดว่า คงจะเพียงพอถ้าว่ารู้จักเรารู้จักพอเพียงนะถ้าเรารู้จักพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราคงจะพอเพียงได้แต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักพอเพียงยังไงมันก็ไม่พอเพราะเหตุใดเพราะเราใจใช้ชู้อิชู้ายไม่รู้จักประมาณตนอย่างหลวงพ่ออยู่ในชนบทมีข้าราชการเข้าไปถามไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเศรษฐกิจจะพอเพียงเนี่ยต้องรู้จักหาต้องรู้จักเก็บและรู้จักใช้ ถ้าว่าเราไม่รู้จักหาไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้เศรษฐกิจไม่พอเพียงหรอกเพราะว่าพวกเรามีเงินเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเดี๋ยวนี้เรามีเงินเตือนเท่าไหร่วันละเท่าไหร่สมมติว่าวันละสามพันบาทตอ่ต่อหนึ่งวันวันละสามพันบาทเราจะใช้อะไรบ้างต่อหนึ่งวันค่าอาหารเท่าไหร่ค่าน้ามันรถเท่าไหร่ค่าไฟฟ้าน้าประปาเท่าไหร่ ค่ารูปไปเรียนหนังสือเท่าไหร่ใช้ในครอบครัวเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรู้จริงกว่าสองสามีภรรยาใ่เมื่อเรารู้แล้วว่าค่าใช้ใจ่ายของเราหมดไปเดือนละเท่านี้แต่เราก็บวกเอาไว้ว่าเอา้าถ้ามีกิจอะไรขึ้นมาเราก็ควรจะบวกถึงแต่ถึงยังไงก็ตามเราควรจะให้เหลือเอาไว้แอบอย่างเหลือเอาเอา้าใช้วันละสองพันหนึ่งพันเราเก็บได้ไหมเอบ เราเก็บได้ม่หนึ่งพันถ้าหนึ่งพันนั้นจะเกิดประโยชน์สําหรับเราต่อไปในอนาคตถ้าว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้ใช้เงินนั้นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครไม่มีใครที่จะรับประกันเราได้ว่าเราจะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้จะไม่มีอุปสรรคในอนาคตถ้าเราใช้ใจ่ายลุยเฉยๆจ่ายหมดไปแล้วเราไม่มีเงินเมื่อเงินหมดเราก็เป็นไปยืมผู้หนี้ยืมสินพลุนพลังทั้งที่เราก็ป่วยอยู่ก็เป็นหนี้เป็นสินขึ้นมา กำลังใจก็ตกร่างกายก็ป่วยแล้วจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราวางแผนชีวิตของตนเองไม่มีใครที่จะวางแผนชีวิตให้เราเยี่ยงกว่าตัวของเราอันนี้พวกหลวงพ่อเองก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่สอนมวยนะออสอนมวยให้ใ ห, ให้ให้นักการเงินเหมือนกับแต่ตามเมื่อริงหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆโดยมากบริหารเรียนมาหลไรเรียนบริหารจัดการ โดยมากไปบริหารจัดการแต่สมบัติสมบัติด้วยห้างร้านของคนอื่นจเจ๊งเอาเจ๊งเอาเอางั้นเพราะลืมบริหารตัวเองไม่รู้จักประมาณในการบริหารตัวเองบริหารแต่สคนอื่นไม่มองตนเองเนี่พวกเราครอบครัวเนี่ยคืออยากจะบให้บริหารตัวเองอย่าให้ขาดตกบกพ่องถ้าเราบริหารตัวเองแนะความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวเองก่อนจากนั้นครอบครัวของเราก็เป็นสุขพราะเรารู้จักประมาณในการใช้ แต่เราใช้เกินประมาณหรือใช้เกินตัวนั่นแหละมี่สิงพรุงพลังเ อ, อ่อการพนงการพนันกินเหล้าเมายาสุรานารีเ อ, อ่อเรากินเข้าไปเราใช้หชชรือช่แชเข้าไปนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ความหายนะ ก, ก็จะเข้ามาสู่ตนหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักด์ตำแหน่งหน้าที่ผู้ใหญ่ที่จะไว้วางใจของเราเขาก็หดหายไปเพราะว่าการกระทําของเรา ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่น่าไว้ใจสิ่งเหล่านี้ขอขอให้พวกเราทุกๆท่านให้เอาคุณธรรมศีลธรรมเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราคําว่าศีลธรรมจริยธรรมจริยะคือความประพฤติแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วอิติปิโสภควารหรังสมาสัมพุทโธวิชาวิชาคือความรู้จาระคือความประพฤติวิชาจาระสามปันโนวิชาคือความรู้จาระนคือความประพฤติถ้าว่าพวกเรามีความ ความรู้และความประพฤติดีแล้วประคับประคองตัวดีแล้วนั่นแหละความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องถามหาที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราเองพระเจ้าก็ดีไม่มีใครที่จะประทานสิ่งเหล่านั้นให้ได้ถ้าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำสิ่งดีแล้วเราเองเป็นผู้ระไรับกรรมคือการกระทํากรรมคือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าคือกรรมกรรมประทานให้ถ้าเราไม่ทกากรรมชั่วแล้ว ใครจะประทานพรสิ่งที่ดีให้เราไม่ได้รับทางนั้นเนะี่ยถ้าเราไปทํากรรมชั่วไปป้วนไปขโมยไปรักไปคดไปโกงเขานะ่ะใครจะให้พรได้มีแต่เขาจับเขา้าคุกเข้าตลาดไปไม่เหตุไรเพราะว่าตัวเองทํากรรมชั่วทํากรรมไม่ดีวันนั้นในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนให้ทํากรรมดีนี่ว่าเศรษฐกิจจะพอเพียงได้เพราเพราะว่าพวกเราให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บ ไม่รู้จักใช้ถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักหาไม่รู้จักเก็บหาเขขี้เกียจหา เ, เก็บก็ไม่รู้จักเก็บแล้วก็ใช้ก็ใช่ดูชั่อแชใช้เกินตัวเศรษฐกิจไม่พอเพียงแน่เพราะนั้นเออันนี้ก็คือการเป็นอยู่นะการเป็นอยู่ของพวกเราพวกเราควรจะคิดไตรตรองดูให้ดีและจากนั้นไม่ใช่มีแต่เท่านั้นเ อันนั้นคืออาหารกายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยคืออาหารของร่างกายการเป็นอยู่ของร่างกายพวกเราเกิดมาจะต้องมีข้าวน้ําโภชนาอาหารปัจจัยสีเลี้ยงชีพดารงชีพอยู่ได้เพราะปัจจัยสีแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นส่วนอาหารใจทั้งยังมีอีกนะอาหารกายคือข้าวน้ําโภชนาอาหารอาหารใจนั่นคือธรรมะคือหลักเหตุผลคือคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจถ้าพวกเรา มีแต่สดแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวกินเข้าไปในร่างกายร่างกายอีกสักวันหนึ่งร่างกายก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายก็ถึงจุดจบแต่ส่วนจิตใจนามธรรมานั้นโดยมากคนทั้งหลายไม่ค่อยให้ความสนใจไม่ค่อยให้ความสนใจทั้งนามธรรมาให้ความสนใจแต่รูปธรรมเสียมากกว่าแต่ส่วนนามธรรมานั้นคือจิตใจนั้นไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องนามปรธรรมมากกว่าสวนทางถ้าจะว่าไปแล้วสวนทางกันกับทางโลกนะทางโลกขาให้ให้ความสําคัญเรื่องรูปประธรรมการเป็นอยู่แต่หลักของพุทธศาสนาให้ความเป็นธรรมให้ความสนใจกับนามปรธรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนมามประธรรมตัวนี้นะใจเป็นใหญ่ไปใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไร ถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักวิธีรักษาหรือวิธีการคิดหรือวิธีการประคับประคองทางจิตใจพวกเราจะทำไม่ไดรักษาไม่ได้ศึกษาที่ดีแล้วเราจะรู้ไม่ได้เรื่องจิตใจเพราะว่าจิตใจเป็นของละเอียดมากถ้าว่าอย่างอื่นอย่างลมอย่างเนีน้แดบอย่างนีน้เราก็พอสัมผัสได้แต่ว่าใจของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะสัมผัสได้มันละเอียดอ่อนและก็เร็วยิ่งกว่าอะไรอีก คิดรอบโลกจั ก, กรวาลไปที่ไหนๆ ไ, ได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่จะทํำยังไงจึงจะทําใจได้จะจับใจได้ในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปอยู่ในป่าถึงหปีออกจากเวียงวังไปไปศึกษาเรื่องไปศึกษาเรื่องของใจเพราะใจเนี่ยเป็นของละเอียดท่านท่านท่านว่าเราจะ จ, จับธรรมดาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างทุกวันนี้พวกเราก็รู้ๆกันทุกวันนี้คนทั้งหลายเครียด อ่าเป็นโรคประสาทมากทวีขึ้นเรื่อยเรยเพราะความผิดหวังหลายๆได้สรุปแล้วหลวงพ่อสรุปแบบง่ายๆว่ว่าคนเราไม่รู้จักปล่อยวางอ่าหลวงพอวัยนั้นนะเพราะจึงเครียดเนีถ้าคนไม่รู้จักปล่อยวางมันเคเครียดพอเครียดแล้ก็โรคประสาทก็เข้ามาเยือนเพราะเหตุใดเพราะมันเครียดคนะําว่าเครียดคำนี้คล้ายๆเพรว่าไม่รู้จักปล่อยวางพอทําหน้าที่การงานขึ้นไปแล้วไม่ได้อย่างใจตัวเองก็ โมโหโธโศโกโรัวทาเนจะพูดออกไปกต่เวลามันอยู่ในใจิตในใจมันก็เครียดทีละน้อยละน้อยสะสมกันไปเรื่อยๆพนย้น่สุดก็เลยเอเอาไมา่อยู่ปงฟงสร้างออกไปใหญ่เลยท่านเองเอจะทำให้เสียศูนไปได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ดูให้ดูใจนะเอดูใจดูนามวัตธรรมแต่พวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นนักฟิกชารการแพทย์การหมอการอะไรก็ตาม เขาเขาบอกว่าสมองนะสมองเป็นต้นคิดสมองเป็นผู้รับรู้แต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าสมองนเป็นเครื่องมือของใจใจเป็นหัวหน้าของร่างกายสมองนัคือเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นแต่ใจนก็นเหมือนกับคนที่ไปใช้คอมพิวเตอร์ไปกดคอมพิวเตอร์ใช้ถ้าคอมพิวเตอร์มีความสามารถขนาดไหนใจก็ไปกดกด คอมพิวเตอร์ก็ทํางานอย่างที่ใจสั่งใจอยากจะให้เป็นยังไงคอมพิวเตอร์ก็ทํางานอย่างอย่างที่ใจสั่งสาการแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้าบ้างสมองมันเสียใจจะสั่งงานยังไงมันก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุไดเพราะคอมพิวเตอร์มันเสียถึงคนจะฉลาดขนาดไหนก็เถึงสั่งเข้าไปมันก็ไม่ออกมาเพราะเหตุไดเพราะคอมพิวเตอร์มันเสียมันต้องซ่อมใหม่นี่แหละถ้าบอกคนออกจากเร่างคอมพิวเตอร์มันจะดีขนาดไหน แต่ร่างกายมันออกจากร่างไปแล้วคือถูกหัวใจแตกอย่างนีสมองมันดีอยู่แต่หัวใจมันแตกร่างกายมันใจมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันหยุดทํางานเมื่อใจออกจากร่างไปแล้วสมองมจะดีขนาดมันก็ทํางานไม่ได้อีกอย่างนเหตุไรเพราะว่าคนออกจากคนออกจากร่างไปแล้วไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาท่านสนใจเรื่องนมามธรรมตัวนี้มากที่สุดโลกประธรรมคือร่างกายนมามธรรมนั่นคือจิตใจ เรียกว่ามนโนปูพังคมาธรมามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะฉะนั้นหลักของพุทธะนี่สนใจเรื่องนามธรรมาคือจิตใจจะทํำยังไงจึงจะจับจิตใจตรงนี้ได้เราศึกษาท่าฟังดูเนี่ยฟังพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาอยู่ในป่าถึงหปีวันเดือน6กเพนพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคลนต้นโพนะี่พวกเราคงจะไปเคยไปเห็นเมืองอินเดียนะ แน่นั่งอย pues th ่างไรต้นโพอยู่ยังไงพระพุทธเจ้านั่งอยู่โคลนต้นโพอ่านหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อนที่จะอันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั้นนายโสธิยะนายาคามาถวายแปดกำมือก็มากลิีดลงที่โคนต้นโพพุทองค์ก็ขึ้นเป็นนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้านศึกษานะนี่นี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก หายใจออกสั <necessary. S 2> ้นออกยาวมีสติก e ับลมหายใจเข้าออกนั้นเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูคนเดินเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเดินเข้ามาคนเดินออกไปเราก็รู้ว่าคนเดินออกไปไม่ต้องตามเข้ามาและไม่ต้องตามลงไปในท้องและไม่ต้องตามออกไปข้างนอกให้เพียงจะรู้ว่าลมกระทบหายใจเข้ารู้ว่าลมกระทบปลายจมูกลมออกไปเราก็รู้ว่าลมกระทบ ที่ปลายจมูกให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้แหละกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูในวันเดือน6กเพลศจากนั้นพระพุทธองค์ก็คงจะปวดแข้งปวดขาคงจะคิดถึงพระพรมวงสารวงของพระองค์เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาว่าพระพุทธองค์พยามารเข้ามาแย่งบัลลังก์แย่งบัลลังก์เสนามารเข้ามาแย่งบัลลังก์ นางตันหานางราคานางประดีเข้ามาแย่งบัลลังก์เข้ามาล่อลวงพระองค์สิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อท่านบอกเป็นปุกคาทิฐานส่วนธรรมมาธิฐานหลวงพ่อว่าพระองค์คงจะคิดไปถึงบ้านถึงเรือนถึงสิ่งแวดล้อมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเวลานั่งภาวนา่เวลาพวกเรานั่งภาวนาบางทีคิดถึงการงานบางทีก็คิดถึงลูกถึงเมียบางทีก็คิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงคนที่เรา พูดเราเคยรักนับถือกันบ้างไหมมันก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะเนีใจมันส่งออกนอกเย่างนั้นน่แหละเรียกว่าเป็นพยาบาลทั้งหมดเลยพวกเรารู้เอาไวนะ้นะเนีเพราะฉะนั้นให้ตัดออกพยาบาลตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะไม่คิดส่งใจออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตัวเองในขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่แปลว่าตั้งจิตอธิษฐานนี่แหละเมื่อตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วไม่คิดปุงฟุ้งออกไปข้างอื่น เพรเราอย่างอื่นเราคิดมาพอแรงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแต่บัดนี้เราจะอยู่กับกรรมฐานนี้กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นกําหนดลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่แับจุดนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเพราะพระโธองเกิดญาณทัศนะคือระลึกชาติผลหลังได้ยังบอกอุปเเพเนวารสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละเมื่อระลึกชาติผลหลังได้แล้วทีนี้ก็เออ หลักของพุทธศาสนายืนยันเลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันนี้มาจากไหนเมื่อวานมีไหมวันก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมเดือนปีคนก่อนมีไหมชาติก่อนก็ต้องมีแล้ววันพุ่งนี้มีใหม่เนี่ยพ อ, พ อ, พอถึงเที่ยงคืนพระองคอาากอ์ก็กำหนดภาวนาตัวตัวปะปาจักยาการจุดติของสัพพะทั้งหลายวิญญาณเกิดมา มาจากไหนมาเกิดที <từ S 2> ่น okay. you know ี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกพระพุทธองค์ก็รู้อีกว่าจุตูปปาปาปิยานการจุดติของสัตว์ของวิญญาณทั้งหลายพระองค์ก็รู้เพราะฉนั้นตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปสงสัยว่าตายแล้วจะสูนป่นปีไปบาบุญคุณโทษเป็นมีในโลกสวรรค์ไม่มีอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะนี่ถ้าเราหยุดหลักของพุทธศาสนาท่าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูน หลับที่สู่พระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วให้นั่งสมาธินะทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งนะเพื่อเราทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนะจากนั้นปัดชิงมยามยามสุดท้ายอาสาวกข ย, ายาัยานยานอย่างรู้ว่าใจของพระองค์นี่มายจากไหนเออมันทำไมมันจึงบกเวียนเวียน ว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดสูงสูงต่ำๆรุ่มบุ่มรอนรอนอย่างนี้เพราะเหตุไรพระองค์ก็พิจารณาด้วย ม, กมกักแปมักฆคือปฏิปทามากักมีองแปะเข้าไปใครคใ้ครณใจตรองเหตุผลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปโปสัมมาวจยากัมมันโอชีววายโุชติส ม, มาธิเข้ามากันกรองอีกครั้งหนึ่ง จนพระ อ, องค์รู้อะไรว่าใจเกิดมาจากความโงค่คือตัววิชาเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็พิจารณาตัวตัววิชาอาวิชาปัจจะสร้งางฆราสร้างาราปัจจาวิญญาณนะจากนั้นพระโต้อองก็กาจัดตัวกิเลสราคะโทสะโมหะตัดโกลงล้อ ก, กรรมเกวียนออกไม่ให้มันหมุนเวียนไปตามวัฏสงสารคือตัดบ่งแล้วนั้นออกไปสู่แดนอวโลกะของจิตของธรรมแดนแห่งพระนิพพาน ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารเป็นอนันตา ก, กานเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายออการที่จะภาวนาด้การปฏิบัติอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะทําใจนะไม่เป็นอย่างอื่นใจตัว น, นี้นะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวห น, น้าหลักของพุทธศาสนาเน้นหนักเรื่องของใจถ้าว่าใจของเราดีแล้วไปอยู่นสถานที่ใดก็ดีถ้าว่าใจของเราเป็น โมโหโท่โศโกธาใจของเราไม่ดีไปอยู่รัชฐานที่ใดคงไม่ดีน ใ, นในเพราะใดเพราะใจของเราไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรร ม, ม, ไ, ม, มไม่มีจริยธรรมในจิตในใจไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะฉนั้นพวกเราพวกทุกท่านนะได้มาเป็นชมลมพุทธถ้าศาสนาที่จัดขึ้นมาหลุงออกว่าถึงจะมีน้อยถึงแม้จะไม่มีใครก็ให้พวกเราให้หนาแน่นหนักแน่น ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้พวกเราคิดดูก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสมาแล้วตั้งสองพันกว่าปีพระพุทธองค์ท่านบอกว่าขนวัวกับเขาวัวไหนมากกว่ากันให้ก็ต่อไปเลยว่าเขาวัววัวทั้งตัวมีอยู่สองเขาเลยขนมันมากนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราไม่ต้องตกใจแตคนที่จะเข้าหาสู่ศีลธรรมนั้นมีน้อยแตคนที่ ห ล, หลากหลไปทางโรคโลกดึงดูดนั้ น, นี้มากเหมือนกับขนหูแต่ทั้งยังไรก็เถิดนะเราต้องพยายามพยายามให้เป็นเขาหัวให้ได้พยายามขัดเขาหัวให้เขาเขาสะอาดในจิตในใจถึงใครจะไม่นับถือเพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์มไม่รู้จักศีลธรรมก็ตามข้าพรเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้มีศีล ธ, ธ, ธ, ธรรมมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาศึกษาในพุทธศาสนาอย่างที่หลงพ่อได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ให้รู้จักปล่อยให้รู้จักกวางไม่ให้เครียดนการทาหน้าที่การงานถ้าหลวงพอ่อพูดอย่างนี้ขึ้นมาพวกท่าน ท, ทั้งหลายก็คงจะพูดในใจถามในใจก็ใช่ไปสิหลวงพ่ออินเป็นพระเนะี่ยหน้าที่การงานหลวงพอ่อไม่มีมากพวกเราเนะี่ยทั้งรับผิดชอบทั้งครอบทั้งครัวทั้งหน้าที่การงานจะปล่อยวางอย่างหลวงพ่อได้อย่างไงไอนี่ก็คือความคําถามในจิตใจนะถึงจะไม่ถามก็ คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแตอะอ่างกนั้นหลวงพ่อว่าอย่างหลวงพ่อเองหลวงพ่อกัเป็นหัวหน้าวัดไงมีพระทั้งหมดก็2ี่สิบสาในการปกคอรองของหลวงพ่อทั้งหน้าที่ ก, การงานการเป็นอยู่ของหลวงพ่อยิ่งกว่าพวกเราอีกพวกเรายังได้รับเงินดั่งเงินเดือนถึงเดือนมากับเงินเดือนออกแต่หลวงพ่อเน่ยเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของพี่น้องประชาชนถ้าหลวงพ่อทําตัวไม่ดีพี่น้องประชาชนไม่เคารพไม่นับถือไม่เลื่อมใส หลวงพ่อบินเท่าบาทไปที่ไหนเขาไม่ให้ชันเหมือนกันหลวงพ่อกําลังบากเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเป็นอยู่ด้วยศรัทธาเอไม่พูดกล่าวให้เป็นสิงเป็นธรรมแล้วหลวงพ่อไปอยู่นสถานที่ใดเขาไม่นับถือไม่เรื่องใสหลวงพ่อก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันเอเพราะฉะนั้นหลวงพ่อที่เป็นพระอยู่ด้วยศรัทธาของศรัทธายากอยู่แต่พวกเราเป็นอยู่ด้วยเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนที่ให้เงินดั่งเงินเดือนมาเพราะฉะนั้นพวกเรา ถึงจะทำงานอย่างนี้แต่ในจิตในใ จ, ในใจพวกเราทำดีที่สุดในเมื่อเราเป็นหัวหน้าแผนไหนแขนงไหนเมื่อเป็นลูกน้องให้รับผิด ช, ชอบไปดีที่สุดในขณะที่เราทำแต่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยพ่อว่าเวลาเรานั่งภาวนาก่อนหลับก่อนนอนเวลาไหว้พระจบลงไปแล้วอธิพิสูจ์ว่าสวาคดิ์สุปฏิปันโนแลก็นังสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเราคนนึกในใจข้าไปเจ้า ถึงจะทําดีขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของโลกข้าพเจ้าเอาไปด้วยไม่ได้ข้าเข้าพเจ้าเอาไปด้วยแต่ศีลธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะไปเครียดกับสิ่งเหล่านั้นควรจะปล่อยวางแต่ข้าพเจ้าจะต้องทําให้ดีที่สุดในขณะที่ข้าพเจ้าทํางานในจุดนั้นแต่ถึงอะไรก็ตามข้าพเจ้าเอาไปด้วยไม่ได้อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องลาจากโลกไป อางน้อยอันดับแรกก็เข้าไปเจ้าตรกระเสียนอายุราชการไปมากกว่านั้นเข้าไเจ้าก็จะต้องทิ้งร่างกายนี้ไปร่างกายจะต้องถูกเผาไฟแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราอย่าไปคิดเลยว่าหน้าที่การงานเงินคําทรัพย์สมบัติพี่น้องสามีภรรยาลกูกสมบัติทั้งหลายเป็นของเราเราอย่าไปคิดเพราะว่าร่างกายขนาดร่างกายเรายังไม่ใช่ของเรา เราจะไปคิดเหล่านั้นว่าเป็นของเราเพราะนั้นจะ่าไปเครียดเกินไปแต่เราต้องพยายามทําตนให้ถูกต้องทำตนให้เหมาะสมทําให้เป็นธรรมรู้จักปล่อยรู้จักวางถ้าเราทําอย่างนี้ได้ผมพอว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราจิตใจของเราก็รู้จักรู้จักเขารู้จักเราเถึงจะโกรธก็ไม่โกรธมากถึงจะเกลียดก็ไม่เกลียดมากถึงจะพยาบาทอาฆาตจองเลย ไม่รู้จะอาฆาตพยาบาทจอมเวรทําไมได้อะไรในสิ่งเหล่านั้นนะจากนั้นพวกเราคงจะปล่อยวางหลงได้นะหลงพ่อว่านะถ้าเรามีธรรมะในจิตใจธรรมะคือหลักเหตุผลธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วถ้าพวกเรามีธรรมะในจิตในใจแล้วความสงบโร่งเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเรานะเมื่อวานหลงพ่อก็ได้มาได้มอบทอง มาเป็นคณะสงฆ์เป็นสกีปียานที่วัดสวนเจ้าธรรมเขาองหลวงตาหลวงตาท่านก็มอบทองเมื่อวานในหกร้อยกิโลนะแต่คิดเป็นเงินออกมาเป็ ส, สี่ร้อยกว่าล้านเะท่านั้นท่านเป็นมอบเป็นครั้งที่สนะิบสี่หลวงตามหาบัวเนี่หลวงพ่อว่าเลยพระอย่างหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเองไม่ได้ยกย่องท่านอยู่ที่วัดของท่านก็เหมือนกะันท่านต่อไป สงฆ์ข้ออนุเคข้อโรงพยาบาลบ้างโรงพยาบาโรงเรียนบ้างคนทุกอย่างอนาถาบ้างแต่ศรัทธาญาติโยมบางคนก็ออหาวิ่งหลงตาท ำ, ทำอย่างนี้บางทีได้ยินหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเขาไม่ถูกนะแต่ตามจริงหลงตาไปโรงพยาบาลในสถานที่ต่างๆอย่างทุกวนันนี้ท่านไปตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพลรหัสสุขเสาร์อาทิตย์ท่านจะไปตามวัดนะอย่างวัดหลงพ่อท่านก็ไป ไปสงฆ์ข้อหลวงพ่อพอไปถึงท่านก็พักจักหน่อยหนึ่งทุกข์มาท่านก็เทศให้พระฝังอบรมทำมาให้แก่พระภา ค, าคปฏิบัติดังนั่งเออแต่ท่านไปโรงพยาบาลท่านไปในท่านบอกว่าเราไปสงฆ์ข้อโรงพยาบาลเออข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาน้ำมันพืชเราไปสงให้โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเราไปโรงพยาบาลในชนบทเออท่านบอกโอ้ดวงตาโรงพยาบาลเป็นนี่สิงเขาทําไมเป็นนี่ ทำไมจะเป็นนี่เป็นสินละ่ะไม่ได้จะเป็นนี่สินเพราะว่าโรงพยาบาลเงินเงินงบส่วนที่ไม่ไม่พอมีแต่งบยากคือเงินงบส่วนนี้คือพี่น้องประชาชนชาวบ้านชนบทบางทีเขานั่งรถมาสองสามคนมาแล้วก็มาส่ ง, สงข้อส่งแม่เขาเลส่งลูกเขาอย่างนี้ยมาโรงพยาบาลเขาก็ต้องเฝ้าลูกเขาสิในเมื่อเฝ้าลูกเขาก็าจะกลับไปเอาข้าวมากินกับไม่ไปไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาไม่มีเงิน ไปจะต้องไปขุปงข้าวไปต้มข้าวพวกจะเดินมาก็เดินมาไม่ได้เพราะว่าเดินทางไกลมาเป็นหลายกิโลมันชนในชนไม่มีจั ก, กรยานไม่มอเตอร์ไซค์อีกต่างหากทีนี้ทางโรงพยาบาลไปเห็นว่าเขาหิวนะ่ะจะทํำยังไงก็จะต้องอันดับแรกตอนเช้าก็ต้องต้มขอต้มเลี้ยงเขาเหมือนกันนะพอตอนเที่ยงมาทําไงเขาก็ยังไม่มีอาหารกินก็ต้องไปเลี้ยงอาหารพวกนี่แหละพวกที่มาเยี่ยม ไข่ที่เขาไม่มีอาหารกลินเลี้ยงอาหารชา้าอาหารเทีน่นี่แหละหลวงตาเงินก่อนนี้ก็เลยเป็นหนี้เป็นสินทำยังไงเพราะว่าไม่เลี้ยงเขาคนจะทำยังไงละ่ะมันอดขยากเนยก็ได้ไดเลี้ยงเขาเป็นอย่างนี้แหะลวงตาเห็น<อ>เมืองไทยไม่น่าจะขนาดเนี่ยเอาเราจะให้เดือนละสองหมื่นท่านก็ให้เดือนละสองหมื่นทุกกรงพยาบาลที่ท่านไปนี่แหละการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ลวงตางขนาดนั้นนะ เนี่ยพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะลูกหลานของลวงตาฟังฟังไว้นะเนี่ยอย่างหลวงพ่อพูดเหมือนกันหลวงพ่อไปน่าจะทันเนที่ใดเมื่อกี้เนี่ยงานกระถิ่นที่บัดป๋าบ้านตากเขาก็เอาชมลงไปพูดเนี่ยเนี่วพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดที่เนี่ยเพราะเทคนิคเป็นแบงค์ชาตนะแต่หลวงพ่อก็กดไม่ได้เหมือนกันเพราะหลวงพ่อเป็นพระป๋าเลยอยากจะพูดแนวความคิดของพระป๋าให้ลูกให้หลานฟังเหมือนกันนะเน่ยเพราะว่าหลวงตาท่านบอกว่า อย่ารวมเงินเข้าเป็นกองทุนจุดนี้เนะี่ยอย่ารวมอย่ารวมกองทุนอนี่ยที่หลวงตาคัดค้านนะ่ะพวกเราคงจะรู้ ล, ละเป็นอะไรอย่านั้นจ้ะหลวงพ่อจะไม่อธิบายในจุดนั้นแต่หลวงตามีจุดมู่งหมายอะไรทําไมหลวงตาจึงมาให้ไม่ให้รวมกองทุนจุดนั้นแต่หลวงตาท่านมีเหตุผลหลวงพ่อว่าท่านอาจจะมองเห็นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างพวกเราให้สังเกตดูที่หลวงตาทําอะไร ในที่ท่านช่วยชาท่านช่วยจริงๆเนี่ยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเองอย่างที่รวมต่างกันอย่ารวมเนาะถ้ารวมเข้ามาไม่ได้นะเงินก้อนนี้ทําให้เสียหายนะเพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินของบรรพบุรุษตั้งแต่รัชกาลที่3 ม, มาจนถึงรัชกาลที่ห้าจากนั้นถ้าเรารวมกันเอามาใช้เอามาหมุนซะก็ทําให้ใช่ผู้ที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาได้แต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าล่ะจะเป็นยังไง หลวงตาท่านบอกว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองได้น่าจะเก็บไว้ที่นั่นคนนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกหอลวงตาเนี่ท่านห้ามแล้วห้ามอีกบอกแล้วบอกอีกหลวงพ่อก็เลยพูดในวันบอกว่าตามเม่จริงรัฐบาลทีนี้ก็ขนาดนี้รัฐบาลหน้าก็คงจะคิดอีกพวกเราลืมกันนะดีไหมคนในชาติให้ลืมไปซะเงินแปดแสนล้านเนี่ย อ, อยู่ในท้องประคังหลวงเนี่ไม่เหตุรวมเข้ามา ลืมซะดีไหมทําไมหลวงพ่อถึงพูดอย่างนั้นับองคือเงินก้อนนะั้นเป็นเงินเงินค้ำชาติเป็นเสาเสาค้ำประเทศชาติลืมซะกองทุนอยู่นั่นในเมื่อคราวจําเป็นข้าวยากหมากแพงทุบพิกภัยโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศเรืยกว่าเกิดศึกสงครามเข้ามาในประเทศเราจําเป็นจะได้เอาเงินก้อนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในประเทศชาติแต่ถ้าว่าเงินก้อนนั้นไม่มีเหมือนกับครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆถ้ามเงินไม่มีในครอบครัวเราเราเอาเงินมาลงทุนหมดสัเอามาหมุนหมดสักถ้าว่าลูกของเราคนใดคนหนึ่งไปรถชนรถเฉียวเข้าโรงพยาบาลค่านาทเงินของเราฝากไวในธนาคารก็ยังช้าเกินไปถ้าเงินอยู่ในตู้เซฟก็ยังช้าเกินไปที่จะออกมาใช้ เงินก่อนนี้ต้องสองตายายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวตรงเก็บเอาไว้แบบนี่นะเงินก่อนนี้เราเก็บไว้ที่หนึ่งนะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะเอจะต้องเอาไปใช้โดยด่ ว, ดวดนะถ้าวันลูกของเราไปทรงวาระเหตุรถชนเปี้ยงเคยสองตายาย่เราเอาเงินก่อนนออกมาแสนหนึ่งเลยเงินเอา้าไปให้โรงพยาบาล น, นะเอาให้ยูนะนี่เงินแสนหนึใช้เลยเอเพื่อวัดทันท่วงทนะีเงินใช้ทันท่วงที ในเมื่อเขาเห็นเงินแล้วเขาก็ต้องรักษาให้หายได้นี่หลอกพอเกิดประโยชน์สําหรับเมื่อคราวจําเป็นแต่ถ้าเมื่อคราวไม่จําเป็นก็เอาไว้ที่นั่นแหละเพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศชาติแต่พวกเราเอามาหมุนซักแต่พวกเราทันทั้งหลายนักบัญชีทั้งหลายบริหารจัดการทั้งหลายรเรื่องการเงินล้จะเ ก, ก็บไว้ให้ง่ทําไม อ, าออกมาใช้หมุนขึ้นมามันก็จะ จเจริญ ม, มันก็จะงอกเกยขึ้นมา อ, อหลวงตาท่านบอกว่าถ้าหมุนถ้าเอาออกมาหมุนแล้วถ้าคน อ, าออกมาหมุนดีมันก้อนใหญ่ขึ้นมามันก็ดีถ้าหมุนออกไปมันยิ่งรวยแหลมไปเรื่อยๆอยจะทำยังไงใครเป็นผู้จิบหายชาติตั้งชาติจิบหายเนี่ใช่ไหมจ่ได้ท้ า, าว่าถ้าว่าเงินบาทมันแข็งเอามาสู้เข้าหน้ามันแข็งเอามา ชแล้วเป็นยังไงถ้ามันหมดแล้วเป็นยังไงอันนี้หลวงตาท่านก็วิตกกังวลอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านหลวงตาท่านไม่ได้คิดอะไรนะพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายคิดดูให้ดีนะหลวงตาท่านมองไปหลวงตายุคขนาดนี้แล้วท่านมุ่หวังอะไรท่านไม่มีไม่ได้มุ่หวังอะไรทั้งหมดท่านมีแต่เกื้อกูลหนุนลูกหลานชาติบเรรพ์ให้ได้รับความโร่งเย็นเป็นจุดท่านช่วยชาติท่านช่วยขนาดไหนอย่างทองอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ช่วยโรงพยาบาลไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ลงตายช่วยโลกช่วยประเทศชาติช่วยขนาดไหนมากมายมหาศาลทีเดียวขนาดชีวิตของท่านท่านบอกตั้งเขียนพินัยกรรมมาอีกนะตัะ้งเขียนพินัยกรรมเมื่อเราตายเมื่ อ, อไหร่เงินทุกบาททุกสตางค์เขามาทำบูลในงานศพของเราเนี่ยให้เอาซื้อทองคําเข้าขางหลวงทั้งหมด เ, เห็นไหมใครทําอย่างนั้นได้มีไหม อลิภนนิ้พีนายกรำนะท่านบอกแล้วบอกอีกนะหลวงพ่อเนยก็คงจะเมื่อท่านทำเมื่อลวงพ่อไม่ตายก่อนนะท่านหลวงพ่อตายทีหลังนะถ้าหลวงตายไปก่อนหลวงพ่อก็คงจะหนุนอย่างเต็มที่แหละจะไม่ให้ใช้เงินก่อนนี้ควรจะให้มาซื้อทองคําเรือว่เอาเข้าคางหลวงทั้งหมดจะตั ป, ปัจจัยที่มาในงานขององค์หลวงตาส่วนอื่นนั้นเราจะจัดการเป็นอย่างอื่นจะสั่งเจดุงสั่งเจดีงานสด ถวายพระสงฆ์องค์เจา้าเราจะเอาอย่างอื่นแต่คนที่มางานเงินที่มาทําบุญหลวงตาเนะี่ยเราจะองค์หนึ่งละ่ะจะผักดันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงตาให้มากที่สุด น, นี่แหละหลวงตาท่านช่วยชาติช่วยขนาดนั้นละ่ะจิตใจของท่านแน่วแน่ท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรอายุของท่านเดือดกี่เก้าสิบห้าปีแล้วแต่ความช่วยชาติของท่านเหลือเฟือเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย ถึงจะไม่้ยามลวงตาทุกอย่างนะก็ให้ใจเชีเ่ยวหนึ่งดีไหมมีการสงเคราะห์มีการเสียสละทําหน้าที่การงานทําให้ดีที่สุดช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อวาดท่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจจริงคนทั้งชาติมหาวิทยาลัยของเราตั้งมาเท่าไหร่ด็อกเตอร์ในประเทศไทยมีเท่าไหร่การบริหารจัดการเรื่องการเงินมีเท่าไหร่โปรฟ์เฟส มีเท่าไหร่มีกี่ะแนนงพวกเรายังมองไม่เห็นเนื้อหาไม่ได้หรือเงินที่จะมาใช้ในประเทศชาตินะเราทําไมจึงมองไปเห็นมองไม่เห็นยังมองกลับไปหาจุดเก่ายังไปเอาเงินเก่ามาใช้หลวงพ่อวานนาอันนี้หลวงพ่อเป็นพระป่าพระดงนะแนวความคิดของหลวงพ่อนะอขอให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายนาไปคิดนําไปพิจารณาด้วที่ว่าห ล, ลวง พ, พ่อพูดหลวงพอพ่อพูดถูกนะ คือว่าให้ลืมักเหินก่อนนั้นให้รัฐบาลจุกไหนก็ตามให้ลืมลืมไว้เพื่อประเทศชาติเพื่อลูกเพื่อหลานของเราเพื่อเป็นสมบัติของประเทศชาติต่อไปใช้ในยามคับขันใช้ในคราวจําเป็นในเมื่อขนานีน้ยังไม่จําเป็นที่ขนาดนั้นผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุธทธเจ้าทำเพราะนั้นพวกเราไม่มีปัญญาเชีเ่ยวเน อ, อจึงหาทรัพย์ไปได้ จึงมองเห็นแต่ทรัพย์ก้อนเก่าเอคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้เงินทองเป็นของกายยศิธิ์ถ้าหย่อนความคิดรักษาไว้ไม่อยู่เงินทองเป็นของกายยศิธิ์ถ้าหย่อนความคิดรักษาไว้ไม่ได้ไม่อยู่ เ, เ, เ, ยยยเพราะงั้นนะมันจะล่วงไหลเหมือนตรงีมันมีปีกมีหางอย่างนั้นนะพดัะนั้นพวกเราเลูกหลานผู้ตกโขนที่ได้ยินหลวงพ่อพูดวันนี้นะหลวกพ่อไม่ได้กระแนงกระแนไม่ได้พูดอะไรพูดเป็นแนวความคิด ให้พวกเราพวกทุกขัานคนในชาติให้ได้คิดว่าอันไหนเป็นอันไหนอันไหนถูกต้องอันไหนที่ไม่ถูกต้องแต่หลวงพ่อเองก็ยินดีรับฟังเหมือนกันนะถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตามแนะนําให้หลวงพ่อให้ดีกว่านี้นะอให้ดีกว่านีหลวงพ่อเองคิดะแล้วคิดไม่ถูกแล้วออย่างนี้หลวงพ่อก็ยินดีรับฟังอแต่ที่หลวงพ่อฟังฟังดูแล้วเงินอะไรปลอสงปลอรสในที่มันล้มไปเมื่อกี้ไหนมื่อก็ยังไม่จบกันโยนกันไปโยนกันมา แล้วจะเอาเงินก้อนนี้มาอีกมันจะโยนไปที่ไหนอีกหลวงพ่อว่านี่ยเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่พวกเราพูดกับหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเขาลบรงหลวงตาน่ะถ้าเราพวกเราพูดออกไปไม่ขอลบหลวงตาลบพ่อไม่สบายใจเหมือนกันหลวงพ่อมีความคิดเนี่ยที่หลวงตาลบพ่อท่านเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ปกป้องไม่ใช่ปกป้องเพื่อท่าน หลวพ่อประเทศชาติบ้านเมืองแคนนั้นแทนที่หลวงพ่อพูดทางนี้ท่างนั้นก่อนให้พว ก, พวกลูกหลานทั้งหลายนําไปคิดนาไปพิจารณานะต่อเ น, นี้ไปการสมมูลทนเจ้าถาในวันนี้หลายรถหลายชาตินะ่ะพวกนั้นหลวงพ่อเริ่มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือยพวกที่เอาเต็มที่แล่านะ<อ> น, นั้นต่อเนื่องไปรับพรนั่นอ